1.4. การเจริญวิปัสนาวงเล็บเปิด1 0มีนาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที 14. วงเล็บปิดการเจริญวิปัสนาคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วรู้สึกขนลุกสู้ซาแล้วได้วิปัสสนาญาณไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยอย่างที่พวกเราทำมันไม่ค่อยขึ้นวิปัสนามันไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ คนไหนไม่ชอบดูกายก็ดูจิตเอาใช้ได้เหมือนกันเบื้องต้นก็สังเกตไปจิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นมาสดชื่นบางวันแห้งแล้งเราดูไปแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันเลยต่อไปก็ค่อยๆพัฒนานะสังเกตในวันเดียวกันนั่นแหละเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราจะไม่เหมือนกันบางทีพอตื่นเช้าสดใสออกจากบ้านแล้วรถติดก็งดหงิด พอไปที่ทํางานแล้วลูกค้าเยอะก็ปลืม้มเจรจาธุรกิจไม่ได้สักรายก็โมโ oh. หใจเราจะคอยพลิกไปพลิกมาให้เราคอยตามรู้จิตใจที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูไปให้เห็นว่าจิตใจเราไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจเราทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวยังโกรธใครโกรธนานที่สุดถึงหนึ่งวันเคยมีไหม เข้าใจผิดแล้วนะจริงๆก็โกรธทีละขณะแล้วคิดใหม่โกรธใหม่ไม่มีหรอกโกรธเป็นวันๆเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยแล้วจิตใจถ้าตามรู้ตามดูไปก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองเดี๋ยวมันก็สุขก็ทุกข์ของมันเองมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็เป็นของมันได้เองอย่างเราไม่ได้คิดจะโกรธเลยนะขนาดตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่โกรธแต่พอเขาพูดออกมาก็โกรธไปแล้ว ใจมันจะโกรธก็ห้ามมันไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้จริงจิตจะวิ่งไปที่ตาที่หูที่ใจเลือกไม่ได้นั่งฟังหลวงพ่อบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ดูคนละเวลากันถ้าเราตามรู้ตามดูมากๆจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจะรู้กายก็ได้ถ้ามีสติรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เราหรือรู้เวทนา หรือรู้จิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราค่อยๆละไปค่อยๆรู้มันก็ค่อยละความเห็นผิดไปทีละน้อยเมื่อใดมีสติรู้กายรู้ใจก็ค่อยๆละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเมื่อใดขาดสติก็รู้สึกกายกับใจเป็นตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการละนี่ยังละด้วยการมีสติไม่ใช่ตัวอริยมรรค ต้องตามรู้ตามดูมากๆนะจนอริยมรรคเกิดต่อไปเป็นพระโสดาบันถึงขาดสติดูลงมาทีไรก็ไม่เคยเห็นตัวเราเลยแต่ความรักในกายในใจยังมีอย่างบริบูรณ์รู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ยังหวงแหนยังยึดถืออยู่อย่างพระโสดาบันจะรู้สึกเลยว่าทั้งกายทั้งใจนี่เป็นของยืมโลกมาใช้อย่างร่างกายก็ยืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้จิตใจเป็นแค่นามธรรมาอันหนึ่งเกิดดับเกิดดับไป เป็น่าชนิดหนึ่งจะรู้สึกว่ายืมของเขามาใช้แต่หวงไม่คืนเจ้าของเพราะรู้สึกว่ากายกับใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นเครื่องมือทำให้เราได้รับอารมณ์ที่ดีทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังนั้นเราจะรักกายรักใจมากเลยแต่วันใดที่สติปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะเห็นว่ากายนี้ทุกถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจก็มีแต่ความทุกข์ ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันเอือมละอาหมดความรักในกายในใจได้ก็ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ลองดูนะไม่ต้องเชื่อแต่ให้ลองดู